เรื่องพระโพธิสัตว์ในขณะระหว่างการสร้างพระนั้นท่านได้ขึ้นไปดูแลกิจการต่างๆอยู่เสมอได้ตั้งพระสมุไว้องคหนึ่งชื่อพระสมุจันทร์พระสมุจันทร์ได้เล่าให้ใครๆฟังอยู่เสมอว่าได้ถามสมเด็จดูว่าพระโพธิสัตว์นั้นจะรู้จักได้อย่างไรสมเด็จก็ชูแขนของท่านจงคลำดูแขนครัวโต รันปราสมุและใครๆคลำแขนก็เห็นเป็นกระดูกท่อนเดียวเรื่องตั้งอุปชาครั้งหนึ่งท่านตั้งครัวตาคุณเนนเป็นพระวัดชีปากาวเป็นที่พระอุปชาเมื่อแห่จากวัดมาวัดเกติชัยโยแล้ว นั่ ง, งพร้อมกันบนอาสงสําเร็จโตอุ้มไตรเข้าไปกระแทกลงที่ตักโกราตาคุณเนนและออกวาจาว่าฉันให้แทนเป็นอุปชาณนะจาปะปลาอื่นก็เสกชยันโตโพธิยาเรื่องหามดีๆ หลวงตาทองวัดเกศชายโยเล่าว่าท่านได้ทันเห็นสมเด็จฝังตุ่มใหญ่ไว้เหนือพระโตและเอาเงินใส่ไว้หนึ่งบาทเอากระเบื้องหน้าวัวปิดหลุมไว้ครั้งหนึ่งท่านขึ้นไปตรวจงานที่วัดเกศชายโยท่านเป่าร้องชาวบ้านมาช่วยกันทำบุญเลี้ยงพระบนญสลาท่านแจกทานของท่านคนละเหรียญโซรถหนึ่งในรัชการที่สกับภูเขาคนละฝ่ามือจนทั่วกันหมดทุกคน ตอนสุดที่พระแล้วท่านขึ้นไปที่วัดเกตชัยโยจับบุรุษเอาแคร่คานหามลงไปรับท่านท่านนั่งมาบนแคร่แล้วสองมือเหนียวแคร่ไว้แน่นปากก็ว่าไปไม่หยุดว่าหามเข้าดีๆจะ้ะอย่าให้เขาตกนะจ๋าเขาเป็นของหลวงนะจ๋าเรื่องอย่าอวดกล้ากับผีอย่าอวดดีกับตาย สมเด็จพระพุท ธ, ธาจ้์โตท่านทำแปลกๆทำขันขันพูดแปลกๆพูดขันขันแต่พูดทำแล้วแล้วไม่ซ้ำยักร่ำไปได้ปรากฏทันตาเห็นทันหูได้ยินเจ้าเจ้าแววแวๆอยู่จนทุกวันนี้เมื่อการสร้างพระเสร็จถวายเป็นวัดหลวงแล้วทรงรับเข้าเทียนแล้วท่านอยู่ในกรุงเทพก็ไม่มีเวลาว่างเปล่าสักวันมีผู้คนไปมาหาสู่ไม่ขาดสาย จนท่านต้องนำปัสสาวะสว า, า์กุฏิบ้างเอาทาหัวบ้างจนหัวเหลืองคือจุดประสงค์ที่ทำนั้นเพราะคนขึ้นหาไม่หยุดอันจะเป็นการขัดขวางการบำเพ็ญสมณธรรมสุดท้ายต้องมาพักผ่อนอารมณ์ในปราชาผีดิบวัดสากเกตเป็นที่สำราญของท่านมากจนพวกวัดสากเกตหลอรูปท่านไว้ปรากฏจนทุกวันนี้กุฏิกเก่ากอสร้างถวายท่านหลังหนึ่ง ท่านเขียนภาษิท์ไว้ในกุฏินี้บทหนึ่งยาวมากจําได้บ้างสองวรรคท่านว่าอย่าอวดกล้ากับผีอย่าอวดดีกับตายบางวันก็ไปผ่อนอารมณ์อยู่ในวัดบางคุณพรมมีคนแถบนั้นนิยมนับถือท่านมากบางรายถวายที่ส่วนเข้าเป็นที่วัดก็มากเต็มไปทั้งสีทิศทางตะวันตกถึงแม่น้ำ ซึ่งเป็นวัดทั้งสองอยู่ในบัดนี้ฝั่งเหนือจดคลองตะวันออกก็เป็นพรมแดนกับบ้านผานบ้านหลอ่อพระนครเป็นวัดกลางสวนท่านจึงสร้างพระคิดจะสร้างพระปางโกรธยักตนหนึ่งในป่าไม้ตะเคียนท่านคิดจะทำรานั่งบนตอไม้ตะเคียนใหญ่ท่านจึงเตรียมอิดปูนทรายช่างก่อแต่เป็นการมิเร่ง ท่านก่อต่อไม้ขึ้นก่อนแลวก่อขาพระเป็นลนดับขึ้นไปอนุมาดูราวๆปีเถนะนพศพุทธศักราชสองพัรทําพระพิมสามชนิดสามชั้นนั้น8ป0 0 0องค์พทำด้วยผงบ้างลานจานเผาบ้างกระดาษเบ้าเขียนยันเผาบ้างปูนบ้าง น, น้ำมันบ้างชันบ้างปูนแดงบ้างเมื่อเข้าไปมองดูคนตามคนโครก มีจามีไอขึ้นมาท่านก็บอกว่าเอาใส่เข้าลวงด้วยแล้วว่าดีนักจะดีนักจะเสร็จแล้วตมผสมปูนเพชรกลางคืนก็นั่งภาวนาไปกดพิมพ์ไปตั้งแต่ยังเป็นพระเทพกวีจนเป็นพระพุทธาจารย์พระยังไม่แล้วยังอีก8ป0 0มืนสพันที่สามกับที่สี่ หมายเหตุผู้อ่านการทําพระของท่านนั้นทําไว้เพื่อให้ญาติโยมยึดเป็นพุทธานุสติไว้ระลึกถึงพุทธคุณคือความดีของพระพุทธเจ้าไว้ระลึกถึงพระธรรมคือคําสั่งสอนก่อปฏิบัติในพุทธธรรมไว้ระลึกถึงพระสงฆ์คือตัวอย่างการบรรลุธรรมในชาตินี้ของพระอริยาสาวกทั้งหลายซึ่งปัจจุบันคนที่ได้พระไปนั้น กลายเป็นงม ง, งายในพุทธคุณที่แปลความหมายไปว่าเป็นอิทธิฤทธิที่แฝงอยู่ในพระนั้นซึ่งเป็นการยึดถือที่ผิดจุดประสงค์ในเรื่องพระเครื่องและของขลังต่างๆนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคนเรานั้นจริตต่างกันปัญญาต่างกันวาสนาบารมีต่างกันหลายคนนั้นเพิ่งเริ่มศึกษาธรรมะจิตยังไม่แน่วแน่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมจนเข้าใจได้จริง การได้วัตถุบางสิ่งไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมระสงค์ให้ระลึกถึงการทำความดีหรือการรักษาศีลก็เป็นกุศโลบายที่ดีที่จะนำให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในกุศลธรรมต่อไปนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านมองเห็นตามความเป็นจริงการใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องยึดเป็นอุปกรณ์เสริมหรือเป็นบันไดขั้นหนึ่งเพื่อก้าวสูงขึ้นต่อไปจึงไม่ใช่สิ่งเสียหาย และอาจจะเป็นผลดีกับพวกเขาได้มากแต่ก็ต้องพึงระวังอย่ายึดสิ่งเหล่านี้จนเกินไปหรือยึดถือแบบผิดๆต้องไม่ประมาทในกุศลทานศีลภาวนาต้องทาให้มากขึ้นตามลำดับแล้วเมื่อพัฒนาจิตจนสูงขึ้นได้จุดหนึ่งก็จะละสิ่งเหล่านี้ได้เองและเห็นชัดว่าสิ่งที่เป็นที่พึ่งได้จริงนั้นก็คือบุญกุศลและความเข้าใจธรรมของตัวเองเท่านั้น เรื่องมดสนุกปีมโรงสามฤธิศกพุทธศักราช24อ1พันพระรวันพหัสบดีเดือนส1บึอนห้าค่ำเวลายามกับหนึ่งบาทนาฬิกาสมเด็จพระปารมีเนธระมหามงกุฏพระจองกล้าวเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระชนมายุได้64สพรรษาเถลิงทวันราชได้ส7ปีหกเดือนส4บสี่วัน เวลานั้นอายุสมเด็จโตได้8ปสิบเอดปีเป็นสมเด็จมาได้สามปีเสษเมื่อสมเด็จทราบแน่ว่าสมเด็จพระจอมเกล้าวสวรรคตแล้วท่านเดินร้องไห้รอบวัดเดินบ่นไปด้วยร้องไห้ไปด้วยว่าสิ้นสนุกแล้วครั้งนี้สิ้นสนุกแล้วเดินร้องไห้โห o รอบวัดระฆังดังจนใครๆได้ยินครั้สมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเถลิงทวันราชสืบสันติวงแล้วสมเด็จพระพุทธจานโตจึงทาพระพิมพ์ห้าชั้นเจ็ดชั้นเก้าชั้นขึ้นอีกตั้งใจว่าจะถวายสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพิมพ์แล้วครั้งก่อนนั้นได้แอบบรรจุไว้ในพระเกียรติชโยหมดและพิมพ์พระห้าชั้นเจ็ดชั้นเก้าชั้นรวมกันให้ได้8ป4 0 0พันเท่ากับพระธรรมขันธ์กลังพิมพ์อยู่วิธีกระทาเช่นครั้งก่อน แ, แต่เสกข้าวในบาใส่ด้วยจานหนังสือใส่บาศไปด้วยไปบิณฑบาทก็จานหนังสือไปด้วยและทําผงลงตัวเขียนยันตามปูนเพชรพิมพ์ไปทุกวันทุกวันกลางวันไปก่อเท้าพระวัดบางคุณพรมเจริญที่วาวิหารธรรมด้วยดูช่างเขียนออกแบบกะส่วนให้ช่างเขียนประวัติของท่านขึ้นที่ผ่านมาแล้วแต่ต้นจนจบตลอดจนท่านนมัส ก, การพระพุทธบาทตั้งแต่เป็นพระมหาโต มาจนเป็นพระพุท ธ, ธาจารโตก็ยังขึ้นพระพุทธบาทตามฤดูเสมอเมื่อครั้งทูลกระหม่อมพระคือสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ยังทรงผนวดอยู่วัดสมอรายหรือวัดราชาที่ว่าในปัจจุบันยังทรงสักถามพระมหาโตว่าท่านเชื่อพระบาทลพบุรีเป็นของแท้หรือพระมหาโตทูลว่าเป็นเจดีย์ที่น่าประหลาดเป็นที่ไม่ขาดสักการะ